ดังนั้นซึ่งเราป้องกันไว้สองส่วนเลยว่านี่ไงสังสารวัตเป็นอย่างนี้<ช>ถ้าอย่างนี้ก็ก็ชัดขึ้นใช่ไหก็<ช>มองอย่างี้อันนี้เขาจะตีโจดคาว่าสังสารวัตรต <laughs> ีโจทย์งเาคืสังสารวันั้นคาถานี้ต้องเอายกมาป็นยกมจะยกโจดไปแต่ไปยมหนังสือดีกว่าอันนี้านางนด้ใช่ในชะ่อันนี้ประการต่อมาคือว่า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 ท่านใช้คําว่าสังสารสังสารนะในสูตรนั้นที่บอกดูก่อนพิสูจนตั้งหลายสังสารานี้มีที่สุดอันบุคคลรู้ไม่ได้หรือที่บอกว่านาโคปนีปนโซซาลิปุตตะสังสารโลสุรภารูปโปโยโมยาอสังสาริตะปุโพเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ก็ในมันชฌินรรนน ม, น, มนิการูระบนาส่วนนแรกมาในสัญญานิการิฐานว่าที่โยมยกมาเนี่ย แต่ในมัชฌิมิกายบูรพันนากระมินั้นเกี่ยวกับนเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกดูก่อนสารบุตรสังสารนี้ที่เราไปเคยเที่ยวไปนี้ไม่ใช่ขอหาได้ง่ายเลยอย่างนี้เมตต้นนะอนันคือพูดถึงในเรื่องของสังสาระฉะนั้นในพุทธพจน์ในบาลีในพุทธพจน์ในอัลกัลาในชันทุกอีกาท่านใช้คําว่าสังสารโอไม่ไม่เจ๊ไม่เจ๊วัดแต่เราหมายถึงกันว่าสังสารวัตรสังสารวัตภาษาไทยถ้าภาษาไทยมี้ต้องไปตัดสองตัว S <S ใช่ไหมว่าตาัดทีนี้ในปฏิจจสมบาทใช้คาว่าสังสารวัใช่ไหอ๋อต้องมีตอสองตัสองตัวแล้วภาษาไทย <S <S อ๋อภาษาไทยภาษาไทยภาษาไทยก็คือว่าเออไม่ใช่ในภาษาไทยตัดตัดตัดตัวตัออกเสียตัวหนึ่งือสังสารวั <S <S ่ือสังสารวัตนะภาษาไทยตัดภาษาไทยเป็นไงทีนี้ทีนี้ อาการต่อมาก็คือว่าคําว่าวัดวัดตต์เนี่ยก็เลยเป็นเชื่อของการทําบุญวัตถากามีนีกุศลกับวิวัตถากามีนีกุศลเห็น<อ>ไหมเห็นไหมกุศลที่เป็นไปในวัตต์กับกุศลที่ออกจากวัตต์อันนี้ก็ต้องชี้ชต้องชี้ตรงนี้เพราะว่ากุศลที่เป็นไปในวัตต์ก็อย่างที่เราทำบุญกันทั้งังหลายและที่ไม่อยากออกจากวัตต์กันนี่แหละ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 วัฏฐามีดีกุศลนี่แหละเป็นกุศลที่เป็นไปในวัฏฐ์ส่วนวิวัตคาามีดีกุศลเนี่ยปารบตั้งแต่ทานในกุศลศีลกุศลโวนากุศลเลยแต่ปารบออกจากวัฏฐ์ที่อาตมาได้บอกใช่ไหมหตอนบรรยายที่เชียงใหม่จำได้ไหมหอาตมาใช้คําว่าทุกอย่างที่ทําให้ปารบการหลุดพ้นเพราะสอดคล้องกับพุทธพจน์พระเจ้าตรัสไว้อย่างนั้นดีถ้าต้องการอยากจะรู้ก็ไปดูในหมายทิเคษ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 ใสนวิสุทธิ์ทีจิตตวิสุทธิที่กังขาทีตะรนวิสุทธิ์ที่มามม่ายาทันวิสวุทธิปฏิปทาญาณทันวิสุทธิใช่หมแล้วก็ญ า, าณาทัศนวิสุทธิอันนี้นจะต้องก้าวเขาไปหาสู่ธรรมที่พงแพลยเป็นหน้าที่สมประานก็คือนั่นแะทะยุงอมังมิงแปดมุดเข้าไปทำที่พงเพลออกไปละทำที่เศร้าหมองแล้วเข้าสู่การทที่พองแพลี้ยที่ยังไม่เคยเข้าสู่กระแสขนันลงท่าน เขาเพียรพยายามในการทำกุศลที่ยัาไม่เคยกดให้ก ด, ก ด, ก ด, กดขึน้นหนึ่งขบวนศาันาแม้พวกเราทั้งหลายไมต้องทำอย่างนั้นอันนี้เท่ากับยกอันนี้มาเป็นตัวอย่างใช่ใช่ใช่ใช่ไหมฮนะใชไม่ขอเพจอันนี้นี่ก็เป็นไปในรนากฐณนนี้นะแต่ถ้าบอกว่าต่อมาก็คือว่าแร่ย่างเป็นทำที่เป็นฝักฝ่ความของแก้วแล้วก็ยืนอยู่บนแผ่นดินแผ่นดินในที่นั้นคือสีเห็นไหมเนี่ยยืนอยู่บนแผ่นดินคือสีแผ่นดินชื่อว่าสีทั้งสี่ประการนี่แหละ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 อาสวะสมุทรยตัดพวกปัญหาตัดพว ก, กวิชาพอเทามันหักดุมมันแตก<ม>แล้วเอกลักซีก่กลับอยู่ได้ไเนียหยพังคืนเลยมันหมุนไปนพบได้ที่ไหนกันเนี้ ย, ยเทามันหักเท้าที่สอดเข้าไปแล้วดุมมันแตกนี่หมุนยังไง สี่กรกรมก็หลุกเพราะสี่กรรมหลุกปุ๊บปุ๊บปุ๊ปุ๊ชรามแล้วนะดุวิบาตดุ ข, ขันธ์ะมันจะไปได้อย่างไงมันไม่มีแล้วอูม อ, มองเห็นภาพเลยตรง น, นี้ล่วงรุนละมุนรบหมดเลยตรง น, นี้ <c oughs> นี่ไม่ต้องกลืงไปในภพสามอีกต่อไป <c oughs> นี่ถึงความสิ้นไปอ <c oughs> มองเห็นไหมนะเนี <c oughs> ่ยทำไงจะอธิบายได้อย่างนี้ทีไม่จะเขียนเนี่ยพยายามค่ะแล้วจะให้โยงจะให้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 ต่ไม่ใชอแ่อะดุมแตกหคือไอพวกนี้แตกคักเปลาแตกหักเป่าหักดุมแตกแล้วก็ซี่กามลุกคือคือคือคืออีตอนนี้เป็นขั้นตอนที่อธิบายถึงตั้งแต่ต้นจนทันนี้จบเลยตรงนี้แล้วไอพอปฏิบัติัออีกเรื่อง่นทางแล้วก็อีกเรื่อง่ค่ะคือคือคือเป็นการเขียนโนมนาเขาเข้าใจว่าโอ้โหนี่มโนภาพใช่ใช่เห็นมโนภาพว่าว่าอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยสร้างภาพให้เขาเห็น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 พอามคมคนเป็นนิพิทานิพิทาจริงๆถึงวิราค่ะทหันตัวอาสวะสมุทรไทยัวหักเทาอ่ะหักหักเทาทำลายดุมชี่กามพังกงนั้นไปไม่ได้ชรามรณะไม่ดีเกาะไปในภพสามจนี่เข้าใจเลยอกจากออกจากวัฏฏะเลยอือตรงนี้ื่นใจโล่งเลยโล่งเโล่งค่ะใช นี่มองเห็นเลยใช่หไหมว่าอ๋อนี่นี่เป็นอย่างนี้เองตรงนี้ต้องต้องเชื่อมดจริงๆถ้าไม่เชื่อมใครจะเห็นก็อ่านกันมาหลายหลายร้อยรอบใช่มันก็เอาแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องวิสุทธิเจตโยมยังเอาไปไว้พาะด้วยสามปัดโดยที่เีศถ้าเอามาเชื่อมกันอย่างเนี้ยหนูไม่อม้นั้นนั้นรากวัวนน่าจะดีเนาะมันท่านๆ่นน เ, นเยี่ยมมันท่านแต่อไรใช่ไหมนั้นตรงนี้ก็เรียกว่า ที่พอเข้าใจตรงนี้เบรศเสร็จแล้วก็คือว่าออในคำนั้นที่ท่านบอกว่าอารานังระระตตาเขาแปลว่าหักหักกรรมเสียดได้เหมือนกระจกยิ่งชื่อว่าจักท่านทำประกอบความอย่างนี้แล้วเนี่ยท่านต้องการสแสดงคว่าสังสารวัตรหรือสังสารวัตในลำดับแห่งปฏิจจุบาทเทศนาท่านต้องการสแสดงให้ดูว่ายิ่งําดับเนี่ย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 ทาสิบที่เหลือได้แก่ทาสิบอย่างมีสังขารเป็นปต้นมีชาติเป็นที่สุดนนาาก็ตรงนี้ก็ไล่ฟังเลยสังขารวิญญาณ น, นามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภวะชาติสิบไหม<ะ>สิบตรงนี้มีอวิชาและตัณฑ์เป็นเป็นเป็นมูด ไม่เป็นมูลดิไห ม, มล้วจึงบอกว่าที่จริงบอกว่ า, าเขาจึงบอกว่าทำสนะิบอย่างนั้นมีอวิมีสังขารวิญญาณนำโลกไปจนถึงชาติเป็นที่สุดในสะิบอย่างท่านอ า, าจารย์เขาก็กล่าวบอกว่าเมื่ อ, อวิชาเป็นมูลเพราะมีชา ร, มรามรณนเป็นที่สุดเห็นไหมอวิชาเป็นมูล<อ>ต้องกลาง ม, มีสิบสนะิบเนี้ยอวิชาหนึ่งเป็นสิบเอ็ด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 ปริยันต์ตัณฑปริยันต์นตัณฑก็แปลว่าทำมีชะลาวรณะเป็นที่สุดรอดก็เพราะความที่ทำสิทธประการคือสังขารวิญญาณ น, นามรูปตระลายตนะภาษาเวทนาตันหาปาทานาว่าชาติมีชาติเป็นปริโยสารใช่ไหมแต่มีอวิชาเป็นมูลและเพราะทำมีชะลาวรณะเป็นปริโยสารเพราะความที่ทำมีสังขารเป็นต้นเกี่ยวกับอวิชา เป็นดุมโดยเป็นมูลนะวิชาเป็นเหมือนกระดุมเป็นมูลเกี่ยวข้องกับชาราบรารณะซึ่งเป็นกรงโดยที่สุดอธิบายให้เข้าใจเลยทำไมต้องอธิบายอย่างนี้ว่าทำไมเอาวิชาเป็นดุมทำไมเอาชาราบรารณะเป็นกรงก็เพราะชาราบรารณะอยู่รอบสุดท้ายเป็นปริโยสารในอ์ปฏิจจ์เอาทำไมเอาวิชาเาเอาเอาเอ า, เอาวิชาเก่าไว้เป็นดุม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 ทางพุทธเจ้าตัศรุมันมีสองสูตรเนาะสูตรหนึ่งบอกพุทธเจ้าตัศรูปฏิจจสมุปบาทไดเป็นวิญใจสูตรหนึ่งคือตัศรู้เรียสัสรุปแล้วก็คืออันเดียวอันยวคับอวิชาเป็นทุกขศาสย์มม เ, ยออเหตุของวิชาเป็นสมุทัยความไม่เป็นไปของวิชาและเย็ุของวิชาเรีนดีโรด ปฏิบัติถยถึงนี้รอเป็นมรรคอริยสัตว์ไหมสังขารก็เป็นอริยสัตว์วิญญาณก็เป็นอริยสัตว์นามโลกรายย์ก็เป็นริสัตว์เวทนาตหาประฐานวัชชาสรามมรระทุกข้อก็คือขันห้านเมื่อนี้ไงจะจะได้เห็นองค์ปฏิจัติหมุนไปในกระแสขันธ์ของสัตว์นก็คือขันห้าภาคยอิยจะนาัง จะได้รู้ว่าเป็นอันเดียวกันตัดในส่วนของสองบุคคลสองกลุ<ะ>่มสัตว์สอจำพวกเลยไม่ต้องมาเถียนกันตอนนี้เขาเถียงกันพระพุทธเจ้าจะรู้อะไรกันนี้ก็ตามเป็นประเด็น อ, อันนี้ข้าควเข้าใจพระอาจรยจบด ค, นะคนเข้าใจพระอารเน้นนั่งบุญณะตรงนี้เข้าใจ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 ไม่เป็นคุณนะบอกว่าทำให้เกิดความยินดีทำให้เกิดความความเพิดเพลนยังตรงนี้เนาะทีนี้ก็เรียงวิธีเรียงลำดับตรงนี้ก็คือใช้ใช้คำพีอะไรเป็นแนวเป็นตัวตั้งใช้คำพีเนตรุบกร์เป็นตัวตั้ง น, นี่ ถ้าหากอธิบายตามตามนัยยะคมภี์ของเล่นิปกรณ์ใช่ไหมเขาเรียกว่าเอาหลักของเทสนาหาลักของพระพุทธเจ้ามาอธิบายทำไมต้องเอาหลักนี้หลักของพระพุทธเจ้าที่บอกว่าอัาธานีอั ศ, อศาธาทินวตา นิสระนัมปีจ่ารังอุปายจุจาอนัตติจาบัคโตวะโต โ, โยคินันเทศน า, ารู brid. เทศนะพระพุทธเจ้ามไหมเออเราจะเทศนาตามพระพุทธเจ้า ค, คือเราจะลำดับเนี่ยพระพูดถึงเรื่องสังสารวัฏเสร็จเสร็จก็จะเอาอสสาทะว่าการหมุน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 สะดวกพบที่สบายทั้งหลาย <Okay. S 1> แล้ว ก, การมาทีนวัตคาถานั่นการโทษคืออาทีนวะกล่าวถึงทุกโทมานะมันก็มันก็อนุปุพพิคาถาไงก็ใช่ไงแล้วก็เนคขามานีสังสั ก, กถา <c oughs> กล่าวถึงนิสรณะคือการออกจากวัฏจัก mm hmm. แลวกลารที่จะพ้นออกไปได้ออกจากภพยังไงแล้วก็จะต้องมากล่าวถึงอะไร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 วิมารวัตถุก็คือแสดงอสาาัทาแล้วพอมาสู่ต่อมาก็ท่านก็เชื่อมลงในในไหนแสดงใ น, ในขุทกการกิการิเปตวัฑ<อ>ุอ้าเอาทุก เ, เ, เลยบายคุเพลีเลยแล้วก็สรุปลงปลยสัจจ า, าจริยสัจจคถาเลยแสดงทุกสมุทัยที่ลดมาเนี่ยนี่ยนะัไงรุ่นผ้าฐา น, นตาเจ้าตั้งหลายที่ไ่านประกาศตามพุทธเจ้า นี่ก็เรียกว่านิเทศนะนี่เรื่องทเทศนา<อ> น, นี่เป็นนี้ทีนี้ประการต่อมาคืออริยมรรคที่เป็นเหตุให้พ้นจากวัตตะและนิพพานที่เป็นตัวพ้นเลยนะเป็นที่พ้นจากวตตทุกชั่วนิสรณนะนิสรณะมีสองส่วนนิสรณะที่เป็นเหตุคือมรรคมรรคก็กล่าวเรื่องเลยสติปัฏฐานสมปทาอิทธบาทอิสีพรา พ, าพชุชง อ, องมรรคแปดโพธิตั ก, กีกยรติธรรมนั่นแหละคือนิสรณะฝ่ายเหตุนิพพานก็เป็นนิสรณะที่เป็นผล เป็เมื่ก็แยกเลด้วยแลการจะมาประโยชน์เมื่ออ่านอ่านหนังสือของโยมอาจารย์ไปแล้วนี่ประโยชน์ของผู้ฟังที่เขาจะได้รับคือปัญญาจนต่างระยะปัญญารู้อัตถะเขารู้เห็นรู้รู้ธรรมะรู้เห็นรู้ผลเป็นต้นถ้าประโยชน์ในสัาป라ยาภพบเขาก็ได้เกิดในภพทีด่ดีแล้วเป็นผู้สมบูรณ์โดยสมบัติทั้งหลายก็อาศัยเทศนาเนี้ น, นี่คือผลอาศัยจากการอ่า น, านหนังสือเรื่องนี้จะได้ผลก็คือว่าเออเขาได้ปัญญาในปนัจจุบันพบด้วย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 การเนี่ยมันจะครบหกประการอย่างนี้ก็เริ่มบริวุ่นแล้วหกประการเขาเรียกอย่างนี้ไงพระพุทธเจ้าสแสดงทําแบบนี้สาวะของพระพุทธเจ้าสแสดงอย่างนี้แล้วเราเขียนหนังสือก็อนุูวัดตามท่านอย่างนี้ เ, เ, นาานนเดินทางโดยเดินี้ก็เดินตามรอยบาทพระศาสนาชัดไหนี่นนก็เดินอย่างนี้ผู้แสดงธรรมต้องแสดงธรรมแบบนี้ถึงจะจัดว่าเป็นคำกระถิ่ ผู้เขียนแปะเขาทำจะเรียกว่าเป็นผู้เก่าวทำก็ต้องเขียนตัวนี้ต้องถือผู้เก่าวทำให้ผู้เก่าวทำเก็จะต้องเดินตามร่องตามรอยท่านถ้าไม่ดถ้าไม่เลีเยนตามแล้วแบบนี้เขาเรียกว่าไม่เรียกว่าผู้กก่าท <dieses S 1> ่นานวางหล <Wh> ักไว้เลยนะเขาเรียกไม่เรียกว่าผู้กล่าวทำนี่เราเป็นพวกเก่าทำวางให้ตรกตามล่องรอยทีาน Кор <ส movie>อย่างนี้ก็ชัดยิงยิงให้เห็นชัดชัดมาก คือโยงเอาไปแยกเป็นอันๆนะไม่ได้มีการเชื่อมต่อใช่ไหม <yeah. S 1> อย่างอนุปัสสัญโยงก็ไปทำตามรอยของแดงเงรื่องสีแดง <Yeah. S 1> โยงก็ไปทำคือแยกเป็นส่วนๆเลยโดยไม่ไดเอามาเชื่อมโยงกันอันนี้มันมาร้อยเรียงเป็นอาไรกลมเดียวเลยนะเ <c oughs> พราะว่าคัมศัพพุทธิจถาต้องเป็นชุดอย่างเงสับส่ไหมใช่อยอย่าอย่าแย ขยายอายุยังไม่เข้าใจเลยเพียงยังมีที่มีโอกาสมาพบไม่รอใช่ไหมสด้ายนะก็ก็ตรงเนี้เป็นเรื่องที่ทําให้เออเข้าใจทีนี้อ่ายกตัวอย่างยกตัวอย่างทีนี้ในอัคค6อย่างที่ว่ามานี่เนาะสุขสงบนัที่เป็นไปในส่วนของอัศรธตัญหาวิปลสสาทั้งหมดทั้หลเหล่านี้ยคือความยินดีพอใจในกามาภูมิรูปภูมิมารูปภูมิ ความยินดีในขันท่าอายตนะที่หมุนไปในภูมิสามความยินดีที่เกิดขึ้นจากตัณหาความพอใจเป็ น, เ ป, นเป็นต้นนั้นนั้นเรียกว่าอัาทะนี่เห็นแล้เจอเมเห็นนี่มันเรื่อง อ, อัศทะาาชักเลยต่อมาก็คือเตภูมิกระทำเนาะความที่ขันท่าอายตนะที่มันเป็นไปในกายภูมิเป็นไปในรูปภูมิเป็นไปในรูปภูมิที่เป็นทุกข์กระทุกวิปยนามทุกสรรพธาตุทั้งหลายนี่ชื่อว่าอาชีโนะนี่คือโทษ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 คือตัณหาความยินดีความเพลิดเพลินในการปรภูมิรูปภูมิในขันในสัตว์ที่เป็นไปในภูมิสามนี่เป็นอัอาศรธาที่เป็นสมุทัยสัจจะส่วนนิสรณะนิส ร, รณะก็หมายถึงเป็นข้อปฏิบัตินี่นิสรณะเนี่ยก็คือเป็นตัวมัดเป็นตัวพระนิพพานเนี่ยนิสรณะที่ตัวท่านิพพานเป็นนิโรธาสัจจะอุบายอุบาย หรืออนัตติเกี่ยวเเรื่องข้อปฏิบัติเป็นมารคะศตรงนี้ท่านเลยสรุปบอกว่าอสซาทโทสมุทโยอสซาโทอาสาโทสมุ ท, ยทโททยเนียีนโวพารันจายบุคัลนิสระนาง น, นิโรโทอุปายโยอนัตติจมโคอสาธาชวะสมุไ ท, ทัยอ น, นทีนาวาเจโคนชิวะทุกนิสระชา่อวะยิโรอุบายอนอนัชิวะมะทุกขสัจจะเป็นจิตควรกาหนดรู้ รอบรู้ควรรอบรู้ควรญญ si. OD, คทำยาศาสตร์ปริญญาพีเร antes. น่าปริญญาเป็นต้นสมุดรยะสัจจ์คนรทำปาหานะปริญญาควละนิโรธาสัจจ์คนทําให้แจ้งมรรคสัจจ์เป็นธรรมที่ควรเจริญนี้สรุปหรือเนี่ยนี่เขาลงอริยสตร์เขาลงอย่างนี้ถ้าลงอริยศาสตร์นี้แปลว่าสมุดจบพิธีไหมหนังสือเขาลงนี่การเทศก็ต้องลงเหมือนแล้วการเทศการเขียนหนังสืออะไรต่างๆแบบนี้ ถ้าลงอริยสัจเนี่ยชื่อว่าเป็นการกล่าวถัถ้าไม่ลงอริยสัจเขาจะกล่าวเพ้เจือช <laughs> ใช่้องพูดถ้าไม่ลงอริยสัจเนี่ยเป็นเอเจือม <laughs> <laughs> เยจธเออเป็นอย่างนี้นะ <laughs>